จนเราได้ฟังหลพเทียนจบไปหลายค น, นก็ยังเคยได้ดูเนาะหลาคนก็ดูมาหลายครั้งทึ้งนี้เพื่อเหมือนกัร น, นิมนต์ท่านมาเปิดงานแล้วก็เอาสาระสําคัญมาขยายนะสิ่งที่ท่านได้นํามากล่าวก็คือทำการเจริญสติสมัมปชัญญะเพื่อให้เกิดปัญญานะทําอะไรที่มันไม่เกิดปัญญาอย่าเสียเวลาทํานอนเฉยะ แต่ทำไปแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยทำก็จะดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่ทำให้เกิดปัญญาอืแต่เขาบอกว่าการที่มาทำแบบนี้เจริญสตินี่เพื่อให้เกิดปัญญาปัญญามันเกิดได้ไงไม่คิดไม่คิดไม่พิจารณาไม่ศึกษาไม่วิเคราะห์วิจารณ์ไม่เกิดปัญญาได้ยังไงบางคนก็สงสัยนะว่าปัญญามันเกิด มีสองลักษณะปัญญาที่อาศัยความคิดกับปัญญาที่อาศัยความรู้ปัญญาที่อาศัยจิตปัญญาที่อ า, าศ ue, ัยลดเสียงต่แล้วปัญญาที่อาศัยความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวปัญญาที่อาศัยจิตอาศัยความคิดเรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญาต้องอาศาัยนามารูป เป็นตัวปรุงแต่งแต่ปัญญาที่อาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวนะี่เป็นโลกุตระปัญญาโดยที่ไม่ต้องปรุงนะดูเข้าไปตรงๆชัดๆมีอะไรก็ดูนั่นนะว่าเป็นโลกุตรปัญญาปัญญาที่เหนือจิตปัญญาที่เหนือจิตเพราะจิตนี่อะไรก็ตามที่มันนำมาคิดต้องอาศัยรูปเป็นที่ตั้งนะ อันนี้ก็เรียกวันนี้เราเป็นการถอดบทเรียนนะที่เราทำไปทั้งวันเนี่ยเราไปทําบทเรียนพอตัวเย็ยนมาเราก็มาถอดบทเรียนว่าที่เราทาไปนี้ว่าทั้งวันเนี่ยเราไดา้บทเรียนได้สาระจากบทเรียนอะไรบ้างสมมติวันนี้เราไปครูให้ไปทาการบ้านเราก็ไปทําการบ้าน กอทำกันบ้านครูก็มาตรวจการบ้านว่าถูกหรือไม่ถูกที่ให้ไปตอนเช้าเนี่ยก็มาการถูกกับผิดนี่ก็แล้วครูก็ทำหน้าที่ถอดถอดบทเรียนให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปใช่หรือไม่ใช่ถอดบทเรียนหลายคนคงจำได้นะตอนเช้าหลวง่ให้บทเรียนอะไรจบลืมไปแล้ว ให้ให้ดูอะไรให้ไปดูว่าความเชื่อมต่อระหว่างความสบายและไม่สบายเนี่ยเห็นไหมว่าก่อนที่จะความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายมันเปลี่ยนอย่างไรนั่งไปนานๆมันเริ้สไม่สบายแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนมันมาต่อสักครั้สบายสลับไปสลับมาเนี่ความ ชอบต่อสาความไม่ชอบได้อย่างไรความคิดต่อสาความรู้สึกได้อย่างไรเนี่ยนี่เป็นบทเรียนที่ให้ตอนเช้าและให้ไปดูกันนะซึ่งก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะทำได้แต่นั่นคือบทเรียนน <c oughs> <c oughs> ะหากว่าเราไปคิดวี่ททำเอาเองอะ่ะเหมือนเราให้ตัวอย่างเลขไปทำงี้นะ แต่เราให้ตัวอย่างไปแล้วละ่ะว่าทําแบบนี้แต่ว่าโจทย์ที่ให้เนี่ยไม่ใช่ข้อที่ตัวอย่างที่ทําไปแล้วตัวอย่างที่ทําไปแล้วห้าบวกห้าเป็นสิบนะนะแต่ให้การบ้านไปอาจจะบอกว่าเลขสิบนี้เกิดจากเลขอะไรได้ว่างนอกจากห้าบวห้าแล้วเนี่ยเราก็ไปเขียนคําตอบมาแต่ให้ตัวอย่างคือห้าบวกห้าเป็นสิบเพราะนั้นคำว่าสิบนี่ยมันเกิดจากเลขบวกและเลขอะไรบ้างเราก็ไปทํำมา สามนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอามาบอกว่ากายกับใจเนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยมันเป็นตัวรู้ทีนี้ตัวรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยตัวอะไรมาบวกกันบ้างที่จะเป็นตัวรู้ได้อันนี้คือโยมก็เป็นไปถอดละเพอาะจะตอบได้ไหมว่าว่ากายกับใจบวกกันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันออกมาเป็นสติทีนี้สติตัวเนี้ยนอกจากว่าทําความรู้สึกกายรู้สึกใจแล้ว จะไปรู้อะไรได้บ้างที่จะออกมาเป็นสติเหมือนกันเฮ้รู้กายรู้ใจออกมาเป็นสติเอากายนี่กายกับใจเป็นอะไรเป็นคู่หนึ่งของในหกคู่หก <c oughs> คู่คืออะไรตาคู่กับอะไรรูปหูคู่กับ เสียงจะมูอคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสสัมผัสคู่กับกายอารมณ์คู่กับใจนีทีนี้มันมีกายคู่กับใจอ่ะเราก็จะมาถอดว่าตาเห็นรูปนะมันก็เกิดความรู้รู้อะไรรู้ที่เรียกว่าจาักขูวิญญาณนะรู้ทางตารู้ทางตาแล้วเกิด ค, ความ รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆทีนี้เราจะเห็นความเชื่อมต่อระหว่างความพอใจไม่พอใจตรงไหนเมื่อกี้เราบอกว่าเราไปหาความเชื่อมต่อใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรเพราะนั้นระหว่างความเชื่อมต่อระหว่างตาเห็นรูปมันที่คือความพอใจและไม่พอใจทีถ้าเกิดความพอใจเขาบอกว่ามันเป็นกิเลสใช่ไหมเกิดความไม่พอใจเป็นมก็เป็น ทีนี้เราบอกว่าถ้าไปรู้ระหว่างกลางเนี่ยมันจะไม่เป็นกิเลสเพราะนั้นไอ้ความตัวระหว่างกลางเขาเรียกว่าอะไรเอออันนี้ใครตอบได้มัง่งอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมะอะไรนะเรื่องถอด บ, บทเรียนพูดเรื่องความจริงเนี่ยฮะออความพอดีอ่คาคมตอบที่หนึ่งความพอดีคำตอบที่สองใครตอบไปอย่างอื่นมัง่งฮะไส่กลางโมหะ อ่ามีคำตอบอย่างอื่นไหมมีความพอดีมีทางสายกลางหนึ่งคำถามต้องมีหลายคำตอบโอโมอหะก็เป็นระหว่างกลางใช่ไหมทีนี้ถ้าตาบวกรูปถ้ารู้สึกความพอใจ <c oughs> รู้สึกพอดีไหมแล้วบอกความพอใจมันตรงไปทั้ง ขวาใช่ไความไม่พอใจคือตรงซ้ายแล้วระหว่างกลางระหว่างกลางเนี่ยที่ไม่ซ้ายไม่ขวาเขาเรียกอะไรพู้ใหญ่นี่เรียกว่าความพอดีโยมเรียกว่าทางสายกลางโ <c oughs> ยมบอกว่าโมหะใช่มเพราะอะไรอยู่เป็นโมหะพูด <c oughs> ให้คิดอยู่เรื่อยนะ <c oughs> ที่เป็นโมหะเพราะว่าความรู้ที่สบายเกิดเราก็ไม่ได้ตามรู้ใช่ไหม ความรู้ที่ไม่สบายเกิดเราก็ไม่ได้ตามรู้ความชอบเกิดเราก็ไม่ได้ตามรู้ความไม่ชอบเกิดเราไม่ได้ตามรู้ตรงนั้นเรียกว่าระหว่างกลางก็เป็นโมหะทีนี้หละถ้าความรู้สึกสบายเกิดเราก็ตามรู้ได้ความรู้สึกไม่สบายเกิดเราก็ตามรู้แบบนั้นคนระหว่างกลากงมันค็จะเป็นอะไรอ่ารู้ซื่อๆเรียกว่าอุเปกขาตรงนั้นเป็นปัญญา <S <s <S <s คนที่ไม่มีปัญญาจะเป็นอุเบกขาไม่ได้คนรูเปเกคนไม่มีปัญญาจะดูเฉยเฉยไม่ได้รู้แล้วดูแล้วมันต้องคิดดูแล้วมันต้องชอบหรือไม่ชอบแต่คนมีปัญญาดูแล้วก็รู้ความเป็นจริงก็เฉยเฉย่เรียก ว, ว่าเป็นตัวปัญญาโลกุตละเรียก ว, ว่าอุเบกขาสำพุชงนั่นเองแต่าภาษาของเขานะอันนี้บทเรียนที่หนึ่งนะอ้าวต่อไปเสียงกระลุหูตากระทบุบตากระทบรูปเสียง เระทบูก็เช่นกันจะเกิดความรู้สึกสองอย่างความรู้สึกอะไรความรู้สึกความรู้สึกชอบใจและไม่ชอบใจแล้วก็ควารู้สึกที่สามได้แก่อะไรเฉยๆที่ความรู้สึกเฉยๆตัวเนี้ยมันเกิดจากเรา รู้ทันความพอใจและความไม่พอใจหรือว่าเราไม่ได้ตามรู้ความพอใจหรือไม่รู้ความพอใจเพราะเขาบอเฉยเฉยมีสอย่างหนึ่งเฉยเฉยเพราะไม่ได้รู้ทั้งสองข้างหนึ่งเฉยเฉยเพราะรู้ทันทั้งสองข้างเพราะนั้นเป็ขาตัว น, วนี้ตัวไหนที่เป็นปัญญาฮะรูทั้งสองข้างรู้ทันเออความไม่สบายเกิดขึ้นก็รู้ใช่ไหมถ้าเกิดได้รู้แต่ว่าเราก็ แช่อยู่ในตัวรู้ตอนนพอใจในตัวรู้ตอนนั้นอันนี้เป็นตัวรู้เฉยๆมั้ยออตรงนี้หรือเรารู้ว่านี่ความไม่สบายความหนักแต่เราก็ไม่อยากเปลี่ยนเราก็เพลินอยู่ประมาณอย่างนีน้ลักษณะนี้เรียกว่ารู้เฉยๆมั้ยเออข้าใจนะมิชียูพินได้ยินหรือเปล่านลวงพ่อพูดนะทาท่าจะไม่ได้ยินนะบอหูว่าค่อยดีไม่เห็นตอบเลยวะ ทันไหมที่ถามนี่ทันนะความรู้สึกที่มันสบายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเมื่อกี้ที่ก่อนที่เปลี่ยนรู้ไหมว่ามันเพราะอะไรจึงเปลี่ยนมันทุกใช่ไหมคือความไม่สบายใช่ไหมเปลี่ยนมาแล้วสบายไหมรู้ไหมว่าที่มันทุกเนี่ยมันเป็นอะไรมันสบายหรือไม่สบายแล้วเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกสบายหน่อยไหมข้อดีขึ้นใช่ไหมรู้ไหมความดีขึ้นมันเกิดจากอะไร นั่นเดีเปลี่ยนแล้วทำไมมันจึงมามันดีขึ้นเพราะอะไรเห็นเหตุปัจจัยของมันไหมอืมแล้วมันทำไมจึงดีขึ้นน่ะก่อนที่ไม่ได้เปลี่ยนน่ะมันรู้สึกมันหนักใช่ไหมเพอเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นน่ะเพราะอะไรมันจึงดีขึ้นอตอนที่มันหนักเพราะมันเป็นอะไรเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่าตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปทำให้ทุกข์หายไปใช่ไหมถามว่าเพราะอะไร เนี่ยคือการเข้าไปรู้ให้เห็นเหตุปัจจัยแล้วรู้เหตุปัจจัยอ๋อที่ม่ี้มันหนักหนักแล้วก็รู้แล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปับ๊บความหนักหายไปหน่อยเนี่ยก็รู้สึกสบายแล้วก็รู้เอาความสบายเกิดมาจากการเปลี่ยนอา้าวเกิดพอเปลี่ยนทำไมเกิดสบายได้ไงเพราะการเปลี่ยนดูนั้นทำให้เกิด อ, อะไร ต, ต, ะตัวทุกขังต่แลกตัวทุกขขังเกิดมาจากตัว อนนี้จังใช่ไหมคือนั่งลงไปมันเปลี่ยนนะแต่พอมาไปทุบ ก, ก็เปลี่ยนอีกทีหนึง่งกลับไปจั่วอนนี้จังใช่ไหมก็รู้สึกดีขึ้นพวรู้สึกดีขึ้นเนี่ยตัวอนนี้จังรู้สึกดีขึ้นเนี่ยเป็นอนนี้จังที่รู้ถึงความจริงเขามันว่าอ๋ออันนี้จังทำใม้รู้สึกสบายและความอนนี้จังเองก็ให้ทำให้คนรู้สึกไม่สบายเขาจะเล่น <laughs> พานั่งอยู่เนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติท่าสีใช่ไหมามาได้บอกบ่อยๆว่าท่าสีนี่น้ําลปไฟมันหมุนห้องมันมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่พอเราไปนั่งทับมันป๊อปการเปลี่ยนแปลงมันถูกอะไรถูกกดทับใช่ไหมถูกบล็อกเอาไว้มันก็เลนสลุมก็เปลี่ยนแปลงได้ชา้าไม่ไม่ลื่นไหลาตามปกติใช่ไหมพอเปลี่ยนแปลงป๊อป พอเปลี่ยนท่าปั๊บเลือลมตรงนั้นรู้สึกพุทธเปลี่ยนแปลงตามได้ปกติอาการบวมก็เกิดขึ้นนั้นการเปลี่ยนแปลงเราไปบล็อกทา ง, งการเปลี่ยนแปลงบล็อกท่อเลือดท่อลมท่อดินท่อน้ำํำท่อล ม, ท, อลมที่มันกำลังบุ๋นเนี่ยพอเราไปนั่งทับตัวกดทับนี่เองคือตัวน้ําหนักของเราเองมันก็ไปบล็อกการลื่นไหลบล็อกการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกดของอนิจจังพอเราเปิด ให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือการยกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงตัวในนั้นคือตัวการลื่นไหลของเรื่องลมเปนไงได้ทํางานปกติใช่ไหมคอนสไปก็เกิดขึ้นดังนั้นตัวอ น, นิจจังที่เราไปพอกกันทํางานของอนิจจังปับ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นทุกขงังต่อเมื่อไหรเรารู้สึกทุกเราทนไม่ได้เราก็ไปเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงมีสองลักษณะเปลี่ยนแปลงโดยรู้สึกตัวกับเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่รู้สึกตัวที่พูดไปตอนเช้าถ้าเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวเป็นอะไรเป็นสัญชาตญาณถ้าเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจที่เปลี่ยนแปลงแล้ให้รู้ความรู้สึกตัวการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเป็นปัญญาหรือเป็นปัญญายานเป็นยานเหมือนกันยานสองยานยานอันหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้เรื่องสัญชาติเกิดขึ้นเป็นของมันเอง ยานตัวหนึ่งเกิดด้วยความรู้เรียกว่าปัญญานี่อันนี้ถอดบทเรียนตรงนี้อันตัวอย่างอันเดียวกันนี้เนะี่ยสามารถจะถอดบทเรียนตัวอื่นได้ด้วยถอดเรื่องเดียวเพราะมันเหมือนกันตากระทบรูปหูกระทบเสียงอินกระทบจมูกกายลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสและจิตกระทบอารมณ์ก็ในยะเดียวกันก็จะมีสามความรู้สึกแต่ความรู้สึก สบายและไม่สบายนี้เราได้ตามรู้หรือไม่ตามรู้ถ้าตามรู้มันก็มาเป็นตัวปัญญาถ้าไม่ตามรู้มันก็เป็นตัวโมหะอ่าเพราะนั้นส่วนใหญ่เราเกิดโมหะหรือเกิดปัญญาในขณะที่เปลี่ยนแปลงโมหายอมจำนวนเลยนะ <laughs> ยอมรับแต่โดยดีเรารู้ว่าเป็นโมหะนี่เป็นเหตุของสุขหรือเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์อ่าทีนี้เราอยากจะเปลี่ยน เหตุของทุกข์ให้เป็นเหตุของไม่ทุกข์เราจะต้องทำอย่างไรก็ต้องตั้งสติรู้ในขณะเปลี่ยนถึงจะถึงจะบอกว่าให้ไปทำตั้งสติรู้ก่อนเปลี่ยนให้มากที่สุดแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ในการเปลี่ยนแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนหรือนานๆเปลี่ยนทีนึงกับเปลี่ยนบ่อยๆเ น, นี่ยอันไหนปัญญาจะเกิดบ่อยกว่ากัน อ่าเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนนานๆทีนึงกับเปลี่ยนบ่อยๆอันไหนสบายหรืออันไหนรู้สึกไม่สบายกกันสบายกว่านานๆเปลี่ยนทีรู้สึกไม่สบายหนักนีนี่เพราะนานๆเปลี่ยนทีนั้นมันติดอยู่ในข้างใดข้างหนึ่งไม่เผลอก็เผลอไม่เผลอก็เผลอใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆเราก็ตั้งใจเปลี่ยนคําว่าบ่อยๆบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ทนได้แต่ถ้ายังทนไม่ได้ เอาแค่ทนได้ก็เปลี่ยนถ้าทนไม่ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนถ้าทนได้เอาเขาค่พอทนได้ถ้าทนไม่ได้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นะเป็นเหตุของทุกข์ละมันเกินเนี่ยที่บอกตอนเช้าว่ามันเกินไปทางสุขบ้างเกล้วเพราะฉนั้นไล่ไปไล่มามันทะลุหากันหมดนะอันนี้เรียกว่าถอดบุเรียนอันที่หนึ่งทุกคนเข้าใจไหมถ้าคนนั้นไม่เข้าใจพวกนี้ไปทําต่อบุเรียนเก่านี่แหละ เอามาส่งครูลูกครูบอกข้อนี้ผิดหกข้อเนี่ยเ้ถูกเฉอสามข้อผิดเฉยสามข้ออีสามข้อตกไปทําใหม่นี้เป็นต้นนะถ้าทําบทเรียนอะไรหนึ่งถูกปับ๊บอันอื่นก็จะไม่ใช่ว่าจะถูกไปหมดนะแล้ว ร, รู้ในช่วงตา ก, กระทบรูปรรู้พอยายรู้อ่พอเสียงกระท้หูไม่รู้แล้วบทเรียนคําตอบเดียวกันบทเรียนเดียวกันอาจจะสอบตกเพราะอะไรอฮเพราะกําลังของสติปัญญา ไม่ติดตามไม่ต่อเนื่องการตามดูตามรู้ามเห็นไม่ต่อเนื่องอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวสมมุติกับปรมัด ต, ตัวสมมุติคิดแบบบรญญัติยางถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะัอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตัวปรมัดอย่างนี้เป็นอย่างนี้และตัวต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวบั ญ, ญัติยางเป็นทั้งกุงเหตุและผลใช่ม แต่ตัวปรามัดเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยะคือมันเกิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่เหตุและผลนั้นมันเหมือนกับก้า9 1 2แต่เหตุปัจจัยมันลากต่อเนื่องเขาเรียลูกโซ่ไงเกี่ยวกันไปลูกโซ่ดังนั้นอันนี้มันจึงยากยากนะะเอาล่ะทีนี้ <c oughs> บทเรียนนี้จบนะถอดเสียนเรียบร้อยแล้วบทเรียนในที่สอง ในช่วงที่เราทำเนี่ยช่วงแรกๆกเราพอจะตามทันได้อยู่แต่พอนานเข้านั้นเข้ า, น า, นขาในช่วงบ่ายๆเรามีอาการเบื่ออาการเซ็งอาการง่วงมีไหมวันนี้มีไหมมีใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้ติดตามบทถอดบุเรียนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมถอดได้บุเรียนต้นๆ บ, บ, บทเรียนหลังไปไงไม่ถอดเลยทั้งๆที่บุเรียนเก่านั่นแหละใช่ อันนี้คือไม่ได้มีอะไรใหม่นะเพียงแต่เราขี้เกียจที่จะถอดตั้งแรกเนะี่ยดังนั้นเราจึงมาใช้เงื่อนไขสองตัวที่จะถอดบุญเรลนี้อย่างตัวหนึ่งต้อมีความรักมีชันทะที่จะทำมีชันทะหรือศรัทธาที่จะทำอย่างไม่ทอถอยอย่างไม่ท้อแท้ในการที่จะอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้สองต้องขยันทำ ขยันปรับขยันเปลี่ยนขยันศึกษาขยันทำความเข้าใจขยันสังเกตแล้วก็สามฉันทะวิริยะเนี่ยจิตตะก็ใข้ควรพิจารณาหาความดูความเป็นไปตั้งแต่ ต, ต้นจนจบดูด้วยพินิษ์พิเคราะห์ด้วยสติปัญญาเรียกว่าจิตตะสีวิมังสาส่วนไหนที่เป็นสาระประโยชน์ก็ จดจำในส่วนนั้นกลับมาใช้ใหม่ส่วนไหนที่มันผิดพลาดแล้วแล้วไปไม่ต้องนํามาพิจารกังวลส่วนไหนมันผิดแล้วแล้วไปปล่อยไปไม่ต้องนํามาคิดแต่ในส่วนไหนมันถูกต้องแล้วนํากลับมาใช้อีกบ่อยๆนี่เรียกว่าวิบังคาเลือกเฟ้นในส่วนที่มันดีในส่วนที่มันดีทิ้งไปในส่วนที่ลืมแล้วแล้วไปในส่วนที่จดจําได้เอามาทําใหม่ที่จดจําที่มันฝ่ายนี่จะเป็นกุศลน่นะ ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ถือว่าเราเดินตามร่องรอยของกันปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวได้ถูกต้องหลักสูตรก็บอกว่าสติปาัาสีสมปาสัาสีแล้วก็มาต่อด้วยอิทธิบาทสีเป็นองค์ธรรมที่ร่วมกันอันนี้หลักสูตรนะแล้วก็มาถอดบทเรียนออกมาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำบทเรียนอันนี้ซ้ำๆทุวัน เพราะมันไม่มีอย่างอื่นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะก็ของเดิมนั่นแหละความรู้สึกตัวความคิดความเพลินความหลง น, นนี้คือในส่วนที่ในวงของการปฏิบัติแล้วเราก็เอาไปทำซ้ำๆบ่อยๆเขาเรียกว่าสาตัดจา ก, การิโนทำซ้ำๆคุณแย่ในการปฏิบัติท่านบอกว่าอย่างนี้ บ อ, อกว่าเหมือนกับเราสีไฟเราทาซ้ำๆตรงนั้นจนกล่วมันจะเกิดไฟถ้ายังไม่เกิดไฟความถ้าถ้าไม่ทำซ้ำๆเนี่ยความร้อนมันไม่พอนะเหมือนกับการหมุนของไดรนะหมุนอยู่กับที่เนะี่ยมันก็เกิดความร้อนเกิดประกายของไฟฟ้าขึ้นมาปั๊บมันก็เกิดเป็นแสงสว่างอันนี้การเกิดการหมุนของไดไฟฟ้าใช่ไหมหมุนไม่รู้ว่า เท่าไหร่แล้วก็มาททดป็นไฟฟ้าสองร้อยสิบร้อสิบอะไรก็แต่แต่ต้นกำเนิดมูลนาอาจจะเป็นมนงมันวนเนี่ยพอทดท ด, ท ด, ท, ดทดกันมาเออให้มันได้สองร้อยสิบนาแต่เมื่อได้รถไฟไฟรถต่ํำกว่าสองร้อยสิบอ่าไม่ได้ไม่ได้วนไม่ได้นั่นแหละก็ไฟก็จะลดลงเพราะนั้นไะอ้ตัวทําซ้ําๆซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวทําให้เกิดตัวพลังนะมีตัวอย่างเยอะแยะที่เรามองเห็นตําน้ำพริกซ้ําๆอ่า สูบน้ามันหมุนซ้ำๆเป็นหมื่นรอบแสนรอบมันก็ได้น้ำข้าวหน า, นาใช่ไหมก็จะหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเมื่อทำซ้ำๆแล้วแต่ในอุปสรรคของมันก็คืออะไรจิตของเราเนี่ยมันชอบซ้ำซากไหมไม่ชอบใช่ไหมนี่คือตัวปัญหาเมื่อทำอะไรซ้ำๆจิตมันก็จะเบื่อ ไม่ชอบไม่เอาเพราะฉะนั้นจิตก็ เ, เปลี่ยนตอลอดเวลาใช่ไหมเพราะเหตุะไรจิตจึงต้องเปลี่ยนไปหาของใหม่แต่ไม่ชอบทํามันได้ซ้ำเพราะอะไรเพราะฮะเหตุ <c oughs> <c oughs> ให้เกิดทุกข์มีสามตัวคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์มีสามตัวหนึง่งอยาก อยากจะได้ใช่ไหมจิตอาการของจิตคือมันอยากอยากจะได้ของใหม่ๆโปนโอพวิกาอยากจะได้ของใหม่ๆสองได้มาแล้วอยากยึดเอาไว้ภวะตันหาใช่ไหมอยากได้ของใหม่ๆกามาตันหาได้มาแล้วอยากจะให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นภวะตันหาสามสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎของอะไร แต่ละเมื่อไม่กดใจรักมันได้อย่างใจเราไหมมันก็จะเกิดเบื่อโอ้ได้ได้เมื่อสักพักก็เบื่อแล้วพอเบื่อนี้แล้วไปยังไงต่อห <c oughs> าของใหม่ต่ออีก <c oughs> ใช่ไหมได้สักพักหนึ่งอักก็เบื่อสมมุติน่ะแต่นั่งใหม่ๆชอบใช่ไหมสักพักหนึ่งอาอาการที่เรานั่งเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมไม่นาน เราก็อยากเปลี่ยนได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันอยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะมันทุกข์นะมันเป็นตามกดของใจรักมันก็เกิดอาการหนักอาการเบือ่อแล้วก็แสวงหาท่าใหม่อีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของมันมันไอตัวที่เราแสวงหาจังหวะใหม่ๆที่สบายเนองเป็นต้นตอของความอยากเพราะเราไม่ได้ตามรู้อาการที่เราเข้าไปเปลี่ยนเพราะเราต้องการความ เบาสบายแต่ว่าตัวเบาสบายนั้นมันเป็นไปตามกฎของไตรลักเมื่อตามกฎของความเบาสบายก็มไม่คงที่ก็เปลีป่ยนแปลงเป็นความไม่สบายจากการมาตรฐามันก็เป็นบีปปะปนหาแต่ความต้องการของเราก็คือภพราะว่ตรฐาต้องการให้มันสบายนานๆมันก็ไปผิดกฎของอะไรไตรักใช่ไหมพอไตรลักมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวอันนี้จำากกเปลี่ยนโดยทุก ข, ขงัง แล้วก็แตกสาลายแล้วก็เริ่มต้นหมาอย่างเงี้ยแต่เราต้องการให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นสบายถ้ามันอยากสบายอยู่นั้นได้ก็ให้มันได้อยู่นั้นแต่กฎของแต่ลักมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องหมุนไปตามเรื่องของมันนี่คือเราต้องมาฝึกสติปัญญาเพื่ออะไรเพื่อยอมรับความจริงของมันอเมื่อยอมรับความจริงของมันได้ปั๊บเมื่อได้มาเราก็ไม่ดีใจเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องไปนไง ăng? มันจะต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมได้ลูกมาเราก็ไม่ดีใจเพราะวันหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนไปได้สามีได้ภรรยาได้เงินทองเข้าคลองมาเราก็ไม่ดีใจเพราะรู้ว่าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนไปได้เมียสวยๆมาได้สามีหล่อๆมาวันหนึ่งเขาเป็นอื่นไปเราก็เป็นงไงสบายใจใช่ไมเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเราทําใจไว้ก่อนแล้วอะวันหนึ่งมันจะงเป็นอย่างนั้นอะแต่เราได้เตรียมใจไว้อย่างนั้นไหม ไม่ได้เตรียมเพราะยังไม่ได้มาศึกษาวิปัสนาไม่มีไม่มีเวลาเตรียมใจแต่พอมาศึกษาวิปัสนาแล้วก็อ่ ะ, อะไปตามเรดิมเข้มามันก็มีฮะทาได้ไหมสบายเนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของการปฏิบัติธรรมว่าเราได้อะไรมาเราก็คิดเผื่อไว้ละมันจะต้องเสียไป น่ะไดมาทําเสียไปเพราะธรรมชาติมันบังคับลองพูดลอจง<า>เจอจริงๆ <c oughs> นะก็เจอค่ะจริงๆลูกคนอ่ะจะเพิ่งทำเจาเพื่อเพิ่งจะทําใจได้ตอนที่มันเสียไปแล้วนั่นแหละทุกข์จะไม่รู้กี่เสียไปไม่รู้กี่อย่างแล้วเพิ่งทําใจได้ก <c oughs> ็ยังดีมันมีวาสนาประทังนี้อยู่นะ <c oughs> นเพราะฉะนั้นมาว่าอย่างกินอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยในที่สุดเปงน ไ, ไง มันก็ต้องเสียไปใช่ไหมเราจะชอบว่าอาหารมื้อนี้อยากจะให้มันอยู่ในท้องสักสามเดือนเนาะมันอร่อยที่สุดเลยไม่อยากจะให้มันเสียเลยที่ไหนได้มันก็ไปตามทางของมันละอ่ะจะวิเยนอย่างเงินจํานวนเนี้ยได้มาเป็นล้านเนี่ยอยากจะให้เงินล้านนี่อยู่ในกระเป๋าตลอดเลยนะแล้วเป็นไปได้ไหมสักพักหนึงก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายละเมื่อจ่ายไปก็ทําใจได้โอ้มันมาเข้ามาแล้วก็ออกไป ดังนั้นต่อไปเราได้อะไรมาเราก็ทําใจไว้แต่แรกเลยเออเดี๋ยวมันต้องเสียไปวันหนึ่งมันถึงเวลาต้องเสียไปเราก็ไม่ได้เสียใจละพอทําใจได้ยี้บ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นแหละเรียกว่ากดท้องการรู้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปแบบซ้ำซากในที่สุดเราก็เข้าใจกฎทุกความคิดแล้วก็คลายความยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนั้นเรียกว่าไม่มีอุปทานนี่ นั้นในสรุปของสูตรหลายสูตรนะว่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งพันลูกเข้าถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วอสะวะก็หมดนะทําไมพ่อยหายจึงไม่ถือมั่น้วยวันเพราะเข้าไปรู้ความเป็นจริงของมันว่ามันจะต้องเกิดแล้วก็ต้องดับไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดนะดังนั้นตัวที่เราจะเข้าไปยอมรับอันนี้ได้ก็คือตัวสติสัมมัญญา สมาธิและปัญญาที่เราเพียรสร้างกันอยู่สร้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนั้นเองเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมาก็เลยโอ้มันก็บอกสบายทีนี้เราก็มองหาว่าจะทํายังไงให้เพื่อนๆที่เป็นทุกข์อย่างนี้เขาทําได้บ้างเดี๋ยวเขเริ่มบอกกันไปเริ่มบอกกันไปบอกอย่างเงี้ยคนที่เข้าใจคนที่ทําได้ก็ได้ผลคนที่ยังไม่เข้าใจทําไม่ได้ก็ ก็ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการได้พบสิ่ง น, นี้ยมันจะต้องมีขบวนการหมายเขาว่าตัวทุกข์มันเกิดขึ้นอาศัยขบวนการตัวทุกข์ทางกายที่มันเกิดขึ้นอาศัยขบวนการตรงที่ความเปลี่ยนแปลงของตรรัสงั้นหมความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะขบวนการทางตรรัทีนี้ความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นเพราะขบวนการของอะไร อวิชาดังนั้นดังได้กล่าวแล้วลว่าทุกทางกายเนี่ยเราไม่กลัวเพราะอะไรเพราะบำบัดได้ง่ายแต่ที่เรากลัวคือทุกทางจิตนะทุกทางกายเราบอกไปวันก่อนแล้วว่าทุกข์เขาเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัญชตาตญาณใครก็บำบัดได้แต่ทุกทางใจนี่ถ้าไม่ได้วิปัสสนา คนที่วิปัสสนาท่านที่จะบำบัดได้คนไม่วิปัสสนาบำบัดไม่ได้ก็มีแต่กลบกลบกลบกลบเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไปหาสิ่งที่คิดว่ามันจะทําให้ความสุขแล้วมากลบความทุกข์เอาไว้เราอยากจะได้บ้านาไปหาบ้านจนได้อุตส่าห์ลงทุนไปเรียนหนังสือไปหางานหาตําแหน่งมาเพื่ออยากจะได้บ้านอยากจะได้เงินอยากจะได้รถอยากจะได้สามีอยากจะได้ภริยา ที่ดีเราก็ไปหาสิ่งนั้นมาถมความอยากความต้องการของเราก็นึกว่าได้สิ่งนี้เนี่ยมันก็จะสุขสบายเอาได้อะไรมันมันก็ยังไม่สบายก็หาใส่เข้าไปเรื่อยเื่อยจนมีเป็นที่นาที่ไร่ที่นาหลายร้อยไร่ก็ยังไม่พอมีรถหลายคันก็ยังไม่จบมีบ้านหลายหลังก็ไม่จบเงินฝากธนาคารหลายล้านก็ยังถมไม่เต็มใช่ไหมเราก็จะเอาทุกมาถมทุกจบไหมไม่จบ ในที่สุดผู้ทีเจ้าก็ทราบว่าโอ้ไม่ใช่ทางเนี่ยนาถิตันหาสมาธิมันไม่สามารถจะถมไม่น้ําให้เต็มได้เพราะนั้นมีทางเดียวคือจะต้องเอาตัวความอยากออกคืออย่าเอาความอยากเนี่ยมาถมมาสนองตอบสนองว่าทุกเพื่อมันหายอยากแล้วมันจะทุกมันไม่หายสักทีหนึ่งยิ่งเติมยิ่งใส่เข้าไปก็มันก็เติมเชื้อไฟมันไหม้ไปเรื่อยๆนี่สุดมีทางเดียวคือเอาความอยากออก มันไม่ต้องอยากเพราะฉะนั้นในชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมก็สลัดออกไปเรื่อยๆสลัดวัตถุแห่งความอยากทั้งหลายวัตถุแห่งความต้องการทั้งหลายสิ่งที่เป็นอ่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยสลัดสดสลลัดออกไปจนีนสุดเป็นผ้าก็เหลือแค่ผ้าสามผืนใช่ไหมที่อยู่ก็บอกอันยาาักคดัวไปสู่ฟ้าสุญญาลาคดัวฟาไปสู่วัานเลือนว่าง นพิสูจทั้งหลายนั้นโคนมานั้นเรื่องว่างเธอจงไป <c oughs> พอไปแล้วสามารถอยู่ได้ละไม่มีบ้านไม่มียมเย่ามเดินเป็นอนาคาลิกแล้วแต่ถ้าเอาเธอทั้งหลายจงจาลิกไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่เธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์บ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงเป็นไปสู่บ้านน้อยเมืองเพื่อประโยชน์และความสุขของพระหูชนและเพื่อเอื้อให้ดูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็สั่งออกไปเลยทีนี้อ่าแล้วก็วัฒนธรรม ศาสนาได้ก็สืบทอดมาถึงเราถึงสามพันปีเพราะการกระทำของท่านเหล่านั้นเราก็มาได้ศึกษาจุดนี้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้อสิ่งเหล่านี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้ก็อย่างเงี้ยปุถุชนคนธรรมดาต้องอมีอย่างนี้แหละแต่คนจริงบอกโอ้มันมีอีกทางหนึ่งมันเป็นไปได้นะเราเลยก็มาทดสอบพิสูจน์กันเราก็มาลงมือทําที่นี่ลงมือทําแล้วก็ <c oughs> จะทํำยังไงให้มันเป็นได้อย่างนั้น ก็ทำไปตามกำลังของเรา <c oughs> อย่างที่บอกแล้วว่ากำลังของเรามากก็ทำได้มากกำลังน้อยก็คอยทำทาได้น้อยแต่ก็ทำแบบไม่หยุดอย่างที่กล่าววอนเช้าว่าคุณจะขนข้าวสารหนึ่งกระสอบไปสู่บ้านในเลียะทางสิบกิโลนคุณแบกไปทีเดียวทั้งหมดไม่ได้กำลังไม่พ อ, อะจะทำยังไงะจะทำต้องหากำลังให้พอ หากําลังให้พอหากําลังให้พอไม่ได้ทำก็ต้องเอากําลังของเราเนี่ยนะหากําลังให้พอเหมือนของหารถไม่ใส่ไปเราก็ต้องมีกําลังเงินพอที่หารถใช่มอ่ามีกําลังซื้อรถก็มีจ้างรถก็มีแล้วก็อุตส่าห์ขนเข้าไปทีละในกระสอบหนึงก็ขนได้ทีละครึ่งถังสิบกิโลห้ากิโลก็ขนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเหมือนกันการปฏิบัติ เรามีความหนักของอวิชชาตนานะปรทานเนี่ยเหมือนข้าสารหนึ่งกัะสอบเราจะเอามันออกหมดทีเดียวเนี่ยมันไม่ไหวมันหนักแล้วก็ออกทีละนิดทีละนิดไปเอาออกอย่างไรเรารู้ว่าตัวที่มันจะไปทำให้เกิดอวิชชาหานประานตัวหนักตัวเนี้ยก็คือการตัวไม่รู้ทำให้เราเผลอทำให้เราเพลิน ใ, ใช่ไหมมันก็ไปเพิ่มน้ำหนักของตัวตนานะประานเรื่อย เราก็มาสร้างตัวรู้ให้รู้เท่าทันความเผลอและความเพลินมันก็แบ่งออกมาทีนี้นิด น, น, นิติ่งตัดเผลอตัดเพลินได้มากเท่าไหร่ตัวความหนักของอวิชชาดัญหาประธานก็ลดลงลดลง ล, งลงในที่สุดจิตของเราก็ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยเอาความหนักของอวิชชาออกทีนี้ตัวที่เราจะไปเอาความหนักอวิชชาตัญหาปรทานนั้นเหตุต้นที่สุดคืออะไรก่อนที่เราจะมานั่งทําตัวนี้ยมาจากอะไรก่อนศรัทธา ความรักความศรัทธามีคนผู้หนึ่งมีศรัทธามากอยากจะพบพระพุทธเจ้าสมัยของพุทธกาลเย้ยจําได้มหมฮานุปกายชิวกันนะ่ะแสวงหาพระพุทธเจ้าเขาว่าโอ้พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้แต่สรู้ถ้าใครได้พบเลยนะเป็นบุญเป็นกุศล ส, สามารถจะพ้นทุกข์ได้เขาก็ตามหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างไรตามในจินตนาการเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้วิเศษผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้บันดาลของเขาเนะี่ยเขาตามหาคนคนนั้น วันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านดัชรู้แล้วนั่นก็เดินทางที่ไปหาปเจ้าวักขี่แต่ไปสนทางกับคนคนนี้อ่าไปสนทางกับอุปกาชิวกเนี่ยอ่าวัวกับนะชิวก ก, ว ก, ก็เห็นอเจ้าชายทิฏฐะเป็นพระเดินมาก็เออดูท่าทางสง่าดีถามมาท่านมาจากไหนเป็นลูกศิษย์ของใครเรียนมาแต่สานักไหนท่านบรรลุทำอะไรถามกันอย่างเงี้ยอ๋อ ฉันมาจากที่นั่นที่นั่นฉันไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่ได้อยู่สํานักของใครฉันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแค่นี้่ฉันไอแอมอเวกินวันฉันเป็นสยามพูผู้รู้เองเห็นเองแค่นั้นเนี่ยคำว่าสยามพูในสมัยมันเป็นคําใหญ่นะวาคือฉันเป็นพระพุทธเจา้านั่นเองเนี่ยอุกา cây ชีพบฟังแล้วเป็นไงเบื่อหน้าหนีเลยอะไรพระพุทธเจา้าจะบูรินต้อยได้ต่อยดาวปาต่ำเขาเงี่ยไม่เชื่อ มันอกก็เรียบลินใจจำไว้นะได้ลินเงินไปนะนไปเจาข้างหน้าเลยไปหาพระพุทธเจ้าในอุดมการณ์ของเขาทั้งท่านที่เจอพระพุทธเจ้าตัวจริงแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือความยากเพราะเราตั้งทงไว้ในหัวของเราอย่างหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งถึงไปเจอแล้วก็ยังไม่ไม่ใช่เพราะไอ้สิ่งที่เราตั้งไว้ในหัวมันอย่างหนึ่งฉันอยากจะพบผู้รู้อยากจะพบพราชญ์อยากจะพบไปพบแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อ่ะ ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อยู่ดีในที่สุดเราก็พลาดอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีอะไรนนไม่มีปัญญา <oui S 1> อ่าใกล้เข้ามาละถอดบุเรียนให้ดีนะอ่าเพราะฉะนั้นมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมต้องมีอะไรด้วยปัญญาถามว่าปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากอะไร ป, ปัญญานี่เป็นผลนะใช่ไหมเหตุมันของมันคืออะไรอ่า เหตุของมันก่อนที่เราจะมานั่งกันตรงเนี้ยเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนไหมเชื่อว่าทําอย่างเงี้ยมันจะมันจามันจะทำให้พ้นทุกเคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมได้ยินจากใครจะเจ้าพระพระเยอะเลยก็เน่ยนะ ยินจากองค์นั้นได้ยินจะอาจารย์อะไรบ้างอาจารย์ยูทูบบ้างนะอาจารย์ซีดีบ้างนะอาจารย์ท่านหลายอาจารย์แล้วทําให้เราเกิดปัญญาไหมเกิดก็มีไม่เกิดก็มีนะอบางคนอะแต่อายัยูทูปอาจารย์ยูทูบเป็นอย่างเดิวก็ไปได้แล้วบางคนอาศัยแต่อาจารย์ซีดีก็ไปได้บางคนไม่พออาจารย์ยูทูปก็ยังรู้ได้ไม่หมดแต่ไปเจออาจารย์จริงๆทีเนี้ย ไปเจออาจารย์พุทธาธาตุอาจารย์หลวงพ่อเทธธียนอาจารย์ชาอาจารย์ไปเจออาจารย์เหล่านี้เราไปพบแล้วทำให้เกิดอะไรหนึ่งทำให้เกิดการพบปะสนทนากันการพบปะสนทนาตามทำให้เกิดปัญญาอันที่หนึ่งเรียกว่าสูตะมายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังใช่ไหม เริ่มได้คุยกันว่าเป็นอย่า ง, งน้นอย่างงี้อย่างนั้นก็เริ่มแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาปัญญาก็เริ่มเกิดเราก็เริ่มได้ความคิดที่ดีคือปัญญาที่สองเรียกว่าจินตามัยปัญญาอเอได้บทสรุปนี่มันห้าป็นไม่ได้แล้วลงมือทำพอลงมือทำอ่อใช่แล้วเกิดปัญญาที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญา นะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมาสามตัวเลยภาวานานี้เกิดปัญญาทั้งสามตัวเกิดจากบุคคลที่มาบอกเราบุคคลบอกคนนั้นเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นอะไร mm hmm. กริยนานมิตรอ่า mm hmm. เห็นไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า mm hmm. องค์ประกอบสำคัญที่เราจะทําให้เกิดปัญญามีสองประการหนึ่งพบกิริยานิมิตรที่สามารถทําให้เราฟังแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติได้ ปัญญาส่วนที่หนึ่งที่เกิดจากกเรณมิตรส่วนที่สองบางทีไม่เจอกระดิมิตรแต่เราสามารถขบคิดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองจนตีปัญหานั้นแตกอันนี้ก็มีเหมือนกันอ่าอันนี้เรียกว่าบุคคลคนนีถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระปัจเจ้พุทธเจ้าแต่พระสาวกอราหันทั้งหลายต้องต้องอาศัยตัวกเรียมิตรแต่พระปัจเจ้พุทธเจ้าและวพุทธเจ้า อาศัยโยที่สมรณาิกาโดยประการเดียวนอกนั้นต้องอาศัยกเรวิทเพราะตัวโยนิโสไม่พอนั้นผู้ที่เข้าถึงจุดหมายไปทางก็จึงมีองค์ประกอบสองอย่างคือตัวกเรมิทอาจารย์ครูบาอาจารย์และเพื่อนที่สามารถบอกให้เราเข้าใจได้แล้วก็เราก็ทําตามได้ปัจเกิดปัญญาแต่ประการที่สองนี่หายาก คือไปนั่งคบคิดปัญหาเองจนกระทั่งตีปัญหานั้นแต่ เ, เข้าใจความจริงอย่างนี้เขาเรียกอาศัยโยนิสโสมนสิกาว่าองค์ประกอบสองประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นก็จะเข้าถึงประตูแห่งอรียมักอันนี้ท่านกล่าวไว้ในตำรานะท่านั้นเมื่อเราอาศัยตัวปัญญาแล้วจึงเกิดอะไรต่อมาคือศรัทธา ศรัทธาประกอบด้วยปัญญาแล้ทีนี้นะคือศรัทธาถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมัไม่ได้ความคิดที่ถูกต้องแล้วไม่ทําที่ถูกต้องศรัทธาที่เกิดมาจึงไม่ศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องเป็นศรัทธาทั่วไปศรัทธานั่นศรัทธานี้ที่เราศรัทธากันนะศรัทธาแบบนี้อาจจะนําไปทางผิดก็ได้แต่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั้นเป็นศรัทธาที่นําไปสู่ทางถูกนะเมื่อเอาละเมื่อเกิดศรัทธา พอมีปัญญาปัญญานำทำให้เกิดสารที่ถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องนำไปสู่อะไรนำไปสู่การมีสติสัมปชัญญะรู้คิดได้คิดได้สติโอ้ประดีว อ, อยู่ทางโลกมาตั้งนานเนาะไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ไปอยู่เพิ่งได้เพิ่งได้สติ เมื่อก่อนนี่กินมากอยู่มากเล่นมากสนุกสนานตินสนุกสนานไปกินแล้วกินยายกินสิ่งเสียบทิดทั้งหลายหลังจะได้มาได้ปรัญญาดีปั๊บมันเกิดได้คิดถึงมาเกิดการเสียดายชีวิตตัวเองเกิดการหวงแหนชีวิตตัวเองเกิดการได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยว่าได้สติสัทธาทําให้เกิดได้สติสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะตัวนี้เองจะนําไปสู่ตัวโยนิสูรมนุษการคือความรู้จัก พินิดพิจารณาแยกหาเหตุหาผลหาปัจจัยความเป็นไปได้อย่างที่เราเรียนกันเนี่ยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเริ่มเห็นทางแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการระมัดระวังเมื่อก่อนนี้เห็นอะไรก็ อ, อยากได้ก็จะเอาให้ได้ได้ยินอะไรถูกใจก็จะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้เกิดการดูก่อนว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ ได้มาแล้วมันทำให้เกิดอะไรเกิดการมีการวิเคราะห์การไตรตรองการพิจารณานิขึ้นนะนั้นั้นเราจะเห็นว่าการเจริญสติจึงมีที่ไปที่มาไม่ใช่จู่ๆแล้วมันนั่งยกมือโดยลงลงแรงแรงไม่ใช่นะแต่มันมีที่ไปที่มารู้ที่ไปที่มาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดการเจริญสติอย่างเต็มใจได้ส ง, ง่าเภาเผยว่าอ๋ทอํานี้เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะ และโดยสติสัญญาที่อย่างมีความชัดเจนทุกคขบวนการของการเคลื่อนไหวมันเป็นตัวสมาธิทำให้เกิดสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งๆ่งสมาธิแปลว่าคตั้งมั่นของจิตเมื่อเราโยกแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ใ น, นปัจจุบันพั๊บมันก็เป็นสมาธิแล้วเพราะคำจำวัดความหรือ definition ของคว่าสติมันคือหนึ่งทไปแล้วรู้สึกโป่งใสสบาย สองสมโตสติสมิยตังมัน่นสามกรร ม, มนิยพร้อมที่จะทำอะไรได้ทันทีไม่ไม่อึดอาดไม่เฉยช า, าไมา่ทุ่มทื่ออยู่กับความสุขอนั้นพร้อมที่จะตอบสนองอะไรได้อย่างถูกต้องทันทีนี่คือความจำกัดความเขาว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิหนึง่ง ปริสุทโเบาสบายผ่องใสสองสมาหิโตตั้งมัน่นไม่ว่าแวกวันไปเว ก, กับสิ่งกระทบสามพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะทำได้นี่ถ้าเป็นลักษณะ น, นี้แล้วสติตรงนั้นก็จะเป็นสมาสมาธิได้ไม่ยากแล้วก็พร้อมที่จะทำให้เกิดปัญญานะตอนนั้นเองแต่ละวันก็จึงอยากจะให้ทำอย่าง เข้าใจนะในช่วงในงานแต่ละงานต่อไปนี้นะถ้าทําไปด้วยความไม่เข้าใจก็ไม่ได้ลนะจะต้องตรวจสอบกันเป็นนั้นวันนี้เอามาก็เลยเ อ, อสอบอารมณ์ฝากทางนี้ภู้นี้ก็สลับข้างนะกลุ่มที่อยู่ทั้งนี้ก็ไปสอบท้งนี้สลับข้างไปมาเพื่อให้เห็นเป้าหมายนะทนี่บทเรียนที่การสอบอารมณ์ในวันนี้อามาก็พูดไปเมื่อกี้แล้วว่าเรา ที่เป็นมีความทุกข์เนี่ยพ่อเราไปหาความทุกข์อื่นมาเพิ่มมันถึงบทยากเพราะในตัวของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์มากพออยู่แล้วทุกข์ปรากฏของใจรักพลิกไปพิกมาดิ่นไปที่มาในด้านร่างกายเนี่ยเดี๋ยวปวดปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนักเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอึดอัดขัดเครืองเดี๋ยวหนักปวดหนักปวดเบามันทุกข์อยู่อย่างนี้ในตัวของมันแต่ เราไม่ได้ตามรู้อาการทุกเหล่านี้เรากับปกปิดกลบเกลือนเราก็ไปหาสิ่งอื่นเข้ามาบดบงังนั่งตรงนี้มันเบือ่ อ, ก, อก็อยากจะไปตรงนู้นไปตรงนั้นมันเบื่อก็อยากจะไปตรงนั้นไปเรื่อยๆอยู่ที่บ้านมันเบื่อก็ไปชอปปิ้งไปซื้อของเออมันเบือ่อหางานทําหาน่าเล่นหาหนังสือพิมพ์อ่านหา เฟซบุ Facebook, ๊กดูหาลายดูหาหนังดูไปเรื่อยๆหาเร่องอื่นมามาปิดทุกอันนี้มันก็จะหาอย่างอื่นมาเติมเรื่อยๆไม่เคยจบหาเงินหาทองมาซื้อนู่นซื้อนี่พอหาอยากแล้วอา้าวทุกตัวใหม่เข้ามาอีกตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งมาเรามาถึงวันเนี้ยว่าเอ้มันน่าจะออกจากวงจรอุบาท this ได้นะตลอดเวลาเนี่ยเราจะหาความอยากมาถมเพื่อมันหายหายทุนะ่นน้นเป็นไปนไม่ได้แล้วเนี่ย ในที่สุดอ๋อมีทางเดียวว่าความทุกข์มันเกิดจากความไม่รู้เท่าทันตัวทุกข์ที่มันเป็นทางกายความทุกข์ทางใจเกิดจากรู้ไม่เท่าทันตัวทุกข์ที่เกิดทางกายเ ม, มื่อรู้ไม่เท่าทันความทุกข์ที่มันเกิดทางกายมันไหลไปสู่จิต <takie> เรียกว่าส่วนเกินที่ได้กล่าวมาแล้วความทุกข์ที่เป็นส่วนเกินของกายแทนที่เราจะหยิบออกแต่เรากลับไปเอาทุกข์เอาสิ่งอื่นมาเติมเติมความอยากของเรา ไปแก้ไม่ถูกเหตุมันปวดตรงนี้แต่ไปแก้ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่สบายกายเราก็แทนที่จะไปเอาความไม่สบายกายออกแต่เราไปหาเรื่องอื่นอมาแก้มันก็เอาทุกข์มาถมทุกข์ยิ่งถมก็ยิ่งทุกข์ทีเนี้ยไม่จบ ส, สาําสักในที่สุดพอเรามาถึงวันนี้ป้าอ๋อทุกข์ท่านบอกต้องกลลําหนดรู้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกไม่ต้องดับ ถ้าบอกทุกต้องกำหนดรู้อ่าเราก็มาเริ่มรู้ทุกละนั่งอย่างนี้เป็นทุกอ่ะมานั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้เป็นทุกอ่ะมาเดินอย่างนี้ไอาการที่เราเข้าไปกําหนดรู้ทุกวิจัยทุกวิเคราะห์ทุกศึกษาทุกลตลอดเวลานี้ตัวนั้นมันเป็นทั้งไปตัดทั้งสมุ ท, ทยัยไปทําให้เกิดนิโรธคือตัวความทุกข์กายมันดับไม่เข้าไปสู่ความทุกข์ใจแล้วก็เป็นตัวมรรคทาให้เราต้องมาศึกษาบ่อยๆติดตาม รู้ติดตามเปลี่ยนติดตามพิจารณาบ่อยๆตัวนั้นเป็นมักจึงกล่าวไปไม่ช้าว่าถ้ารู้จักการบำบัดทุกทางกายอย่างรู้เนื้อรู้ตัวประการเดียวมักอีกสามตัวก็ถูกทําไปด้วยทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธมักถูกกระทาไปด้วยทำหน้าจุดเดียวนั้นคือรู้เข้าไปชัดๆตรงๆซื่อๆนั่นคือประเด็นที่หลวงพ่อเทียนนำมาสอน แล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็บอกโดยรัดสั้นอุดใจเดียวใช่คดีใช่ไหมอุดใจเดียวเอ๊ะเราทำมาตั้งหลายอุดใจไม่เห็นไฟไหนเลยมันไม่ตรงเป้าอนะไม่ตรงเป้ารู้เพียงอุดใจเดียวขนาเดียวเนะแต่รู้บ่อยๆไม่ใช่รู้แล้วจะเอาแต่นั่นรู้ขณะเดียวแต่รู้บ่อยๆมันน้ําฝนเนี่ย มันตกทีละหยดแต่มันตกบ่อยๆเป็นไงก็เต็มเล็กเต็มอ่างเต็มเขือเ่อนอเต็มห้วยเต็มหนองเหมือนกันนะแต่ตตรูๆๆ้มันก็ตกมาเป็นหยดๆเหมือนกันรู้ทีเดียวเนีนยย่ยแต่ไหลหยดถ้าหูจมูกลิ้นกายใจทีละหกหยดหกหยดรู้เข้าไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็สามารถเต็ม ต, ตัวรู้มันก็เต็มตัวรู้เต็มรอบเมื่ อ, อไหร่ปับ๊บมันก็เกิดตัวปัญญา นะรอบที่หนึ่งเป็นตัวปัญญารอบที่สองเกิดญาณรอบที่สามเกิดวิชารอบที่สี่เกิดแสงสว่างเป็นรอบรอบรอบรอบไปนี่ปับอแสงสว่างก็เกิดแสงสว่างในใจก็มองทะลุบูโบรู้เลยทีนี้ไม่สงสัยพอไม่สงสัยพอไม่สงสัยนี่มันจะคิดไหมมันก็ไม่คิดล้วทีนี้มันก็มาอยู่กับความรู้พอรู้ว่าเวลาจิตมันออกไปหาเรื่องคิดเนี่ยมันยกเราไปหาความอยากมาเพิ่มตัวเอง ความอยากเป็นเหตุของทุกข์หาเหตุของทุกข์มาเพิ่มตัวเองเพราะนั้นไม่ต้องคิดรู้ความจริงนะเสร็จแล้วเราก็ยอยู่กับความจริงตลอดแล้วก็ทําไงทีนี้เราก็จะเอาความจริงไปบอกคนอื่นคนอื่นก็ทําเรามีเพื่อนที่แวดล้อมของเราที่รู้ความจริงด้วยกันที่ไม่ทุกข์ด้วยกันนะี่ยดีกว่าที่เราจะมีแต่คนที่ไม่รู้มาอยู่ร่วมเรามีคนทุกข์มาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยปัญหายิ่แย่เลยใช่ไหม ในบ้านของเราเนี่ยโอคนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ทุกแต่ในครอบครัวเรามีแต่คนรู้เข้าใจเรื่องนี้แทนทุกไหมมีปัญหาไหมมีเพื่อนอย่างนี้สักสิบคนมีปัญหามีปัญหาไม่มีใช่ไหมก็ช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีร่วมกันและวที่จับไม้จับมือกันโอนเราไม่มีทุกนะก็อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราก็สามารถไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ที่ที่เราในบ้านเราไม่มีทุกสร้างหมู่บ้านเราไม่มีทุกสร้างตำบลเราไม่มีทุก จังหวัดเราไม่มีทุกประเทศเราไม่ทุกมันดีกว่าใช่ไหมจากตัวเรานะจากเทียนเล่มหนึ่งเราไปให้อีกสิบเล่มคนในบ้านเราก็สิบเทียนสว่างขึ้นใช่ไหมเอาไปให้เพื่อนบ้านของเราทุกหลังสว่างขึ้นอีกโอ้เทียนของเราดับไหมเอาไปให้คนอื่นโจ้า์ติดต่อได้ดับไหม ใช่ไหมมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตัวรู้ของเรารู้น้นอยๆเราไปบอกคนอื่นต่อๆไปเรื่อยคนอื่นเขาก็รู้เหมืนก็ต่อจากเทียนเราไปเราจึงเรียกว่าหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเทียน <laughs> พ่อท่านแจกแสงสว่างนะแจกแสงสว่างให้เราก็เลยพอได้สว่างถ้าไปด้วยนะตั้งแต่อามาหายสงสยัยเรื่องนี้มาหน้าที่สาคัญหนึ่งต้องเซฟร่างกายดีแต่ไม่ตีความสูงนะใช้อย่างรู้ คุณค่าไม่ได้พาไปดูหนังฟังเพลงไม่พากินเหล้าเขาบุหรี่ไม่พากินกาแฟกัญชากาแฟอะไรไม่เอาทีนี้ร่างกายรักษาละ่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพราะเกิดมาแล้วถ้าเราได้ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คุ้มละ่ะเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเกิดยากนี่เพราะนั้นเกิดมาแล้วอย่าพิ่งแก่อย่าพิ่งเจ็บ อ, อย่าพึ่งตายง่ายๆอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ไปเลยพูดเล่นว่าอายุเท่านี้ยังไม่ถึงครึ่งนะต้องเท่าไหร่ถึ ง, ถงครึ่งอลยถ้าครึ่งต้องร้อยขึ้นอ <c oughs> ต้องร้อยขึ้นอแต่มันอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราทิดงเอาไว้ถ้ามันอยู่ได้นานๆเราก็แจกความสุขกันไปถ้าอยู่ก็ด้วยความสุขมันโล่โลกนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมสองร้ยหกสิบาองร้อยห <c oughs> <c oughs> กสิบห้าต้งเตือนเลยลีเชงย่งใช่ไหม หลีเชีงยูเอามาตัดรูปแก้ไว้เลยน ะ, ะดรหลีเชีงยูคนจีนอายุสนะองร้สิบห้าเนี่ยสมัยนั้นนะแต่จริงหรือเปล่าดูนะแต่ว่ามันมีประวัติมาอย่างนั้นนะแกบอกว่านะตอ น, น, นอายุร้0ยห้าสิบไปรบดุสีคนหนึ่งแล้วก็ได้มสมุนไพรก็อยู่ไปถึงร้อยเจ็ดสิบทาการจีนมอบไอ้อะไรรางวัลดีเด่นผพ้่ายืดสูงร้อยเจ็ดสิบ แล้วก็เข้าสอนมหาวิยาลยต่อถึงอายุถึงสองร้อยก็ยังทางานได้ต่อมีภรรยายี่สิบสามคนพรรยาก็าตายแล้วคนแล้วคนเลาแต่ลูกหลานไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกในประวัติศาสตร์นั้นนะแต่รู้ว่ามีภรรยายี่สิบสามคนถึงตายเนะนี่ยอายุสองรอสิบห้านีุ่คนในประวัติศาสตร์ ดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องพูดไปว่าคุณจะต้องกําจัดกิเลสอย่างนั้นกําจัดกิเลสอย่างนี้นต้องกําจัดอวิชชาตันหาอวตารไม่ต้องไปพูดให้เราบากยุ่งยากมากเรื่องเอาแค่ว่าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเอาไปทําไม่ผิดแล่ละง่ายๆสั้นๆในวิธีการของพูดแต่ว่าการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันสามารถจะเอาไปแอพพลายหรือประยุกต์ใช้ในทุกทุกเรื่องทุกราวเพียงแต่ว่า การทำอย่างนี้เหมือนเราก็ชาร์จไอแบตเตอรี่นะเรามานั่งชาร์จแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่เราเต็มแล้วทีนี้พอไปใช้แสงสว่างไปใช้ก็ได้หมดแต่ว่าแบตเตอรี่มีสองประเภทหนึ่งแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ติดได้ชาร์จสองแบบแบตเตอรี่มีแบบติดได้ชาร์จแบตเตอรี่ติดได้ชาร์ตคือแบตเตอรี่ในในรถยนต์ใช่ไหม อันนี้ใช้ไปจ่ายไปชาร์จไปใช้ไปจ่ายไปให้เป็นแบตเตอรี่แบบนั้นแต่แบตเตอรี่แบบหนึ่งหมายเขาว่าใช้หมดแล้วก็เอาไปชาร์จพอเคทนี้เขาเราิ่มแบตเตอรี่แบบสมร t h หมดแล้วค่อยปฏิบัติแต่แบตเตอรี่แบบวิปัสนาติดได้ชาร์จติดไปใช้ไปติดใจไฟฟ้าไม่หมดนะฉัน์ได้ก็ดีระบบปฏิบัติจะมีสองอย่างระบบทางสมรา tha าและวิปัสนา คนที่ยังไม่มีไดชาร์จหมายความว่ายังทำํำ ไ, ไม่ได้เป็นอัตโนมัติก็ทําแบบเป็นครั้งเป็นคราวไปมีลีขิตครั้งหนึ่งก็เอาเอาเอาแบตเตอรี่มาชาร์ชาร์จแค่หนึ่งนะต้องเสียค่าชาร์จแบตเตอรี่หน่อยนะแต่ถ้าเราคนได้วิปัสสนาแล้วมาชาร์จครั้งเดียวก็ติดไดชาร์จเลยขับรถไปได้สบายทีนี้อนั่นหมายความว่าคนที่เป็นวิปัสสนาแล้วหลังจากเข้าใจแล้วก็จะนําไปใช้ด้วยแล้วก็จเจริญสติไปด้วย ทำงานไปด้วยเจริญสติไปด้วยทำการค้าขายทำกิจวัตรประจําวันก็เจริญสติถือว่าเจริญสติแต่ได้งานเมื่อก่อนเนี่เราไปทํางานแต่เราเสียสติใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราไปเจริญสติได้ได้งานนี่เขาเรียกว่าเพติตได้ชัดใช้ไปแล้วก็ได้มาใช้ไปแล้วก็ได้มาถ้าเป็นคนมีเงินก็เป็นนักธุรกิจใช่ไหมค้าเราก็ได้กำไร ต้องได้กำไรลูกเดียวนะอถ้าขาดทุนนี่ไม่ใช่นะอได้กําไรนั่นหมายความว่าเราทําอะไรมันก็ได้ฟิตแบกกลับมาะจะยกแก้วน้ําก็ได้ละเมื่อก่อนพอยกแก้วน้ำด้วยความอยากยกเปอกเกาจีนดื่มชักวางใช่ไหมไม่รู้ถึงขบวนการ น, นี่เสียไปละแต่พอเดี๋ยวนี้หลังจากเข้าใจแล้วจะยกแก้วน้ําตั้งใจจับแล้วก็ตั้งใจยกขึ้นมารู้เลือรู้ตัว เขาตั้งใจว่าดื่มแล้วมันลงไปถึงไหนบ้างนะแล้วก็วางอันนี้เขาเรียกว่าได้เสียหายไหมทำํำไงเสียเวลาไหมเสียการใช้งานไหมแล้วทําไมไม่ทํา <c oughs> <c oughs> อ่ะพระยังไม่มันยังชารนะ์ไม่ติดนะฮะยังชาร์จชาร์จรถยังไม่ติดนี่ยนะชาร์สมัยก่อนทาไงติดรถที่นิดโดวโจรถันใช่ไหมทาไมสมัยก่อน ตอนนี้เข้าไฟก็หมุนด้วยแต่สมัยนี้แค่แค่บิดกุญแจเนี่ยตึงแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหมุนกุญแจด้วยนะแค่กดดีมโอดันติดตแล้วเนยะเพราะฉะนั้นเห็นไหมยุวัฒนาการการเจริญสติตธรรมฐานสมัยก่อนเหมื่อก่อนอู้ยุ่ยากมากจะทําำต้องทําพิธีอย่างนู้นไปหาครูบาอาจารย์ก็ยากแต่สมัยนี้พบได้ทุกหนุกแห่งไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์เลยนะจะเจอเมื่อไหร่ก็ได้นะเอา สมาร์โฟนเข้ามาคลิกหลวงพ่อเทียนนี่มาแล้วหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ต้องไปเดินหา ย, ยากแล้วคลิกหลวงพ่อพุทธาธาตุก็มาเทสจ่อยๆ อ, อ, อยู่นั้นเลยนะเห็นไหมมันไว้ขนาดนั้นเลเรียกได้ตลอดเวลาเนี่ยขอให้มีสมาร์ทโฟนอยู่เครื่องหนึ่งอันนี้คือการพัฒนาการเพราะฉะนั้นในยุคเราสมัยเราเนี่ยน่าจะได้บรรลุทําได้เร็วกว่าคนสมัยนั้นเพราะทางเลือกมันเยอะมากอะใช่ไหมนา น, านเห็นไหมมันก็ต้องมาด้วยกัน ต้อมาด้วยกันนะคุณจะกินปลาไม่มีน้ำนี่ไม่ได้คุณต้องต้องหาวิธีทั้งรุยน้ำมาให้ได้แหละนะเมื่อปลาเนื้อดีปลาชนิดดีคุณต้องอยู่น้ำลึกลใช่ไหมคุณก็ต้องหาวิธีแหละปลาที่ไหนจะมาวิ่งอยู่บนบกให้คุณจับใช่ไหมเพราะนั้นของดีๆเหมือนก็ต้องผ่านความยากคุณก็ต้องหาเทคโนโลยีในการจับให้ได้เพราะฉะนั้นคิดหาวิธีการเจริญสติให้มันง่ายได้อย่างไรคุณคิดไปเลยไม่เสียหาย หาจเจริญปัญญาให้มันเกิดปัญญาเยอะๆอย่างเงี้ยให้คิดให้ง่ายๆอย่าไปคิดให้มันยากได้ไหมเอมจูบได้น ะ, ะทำยังไงให้เดินอย่างมีสมาธิตลอดในคิดหาวิธีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกคิดอยู่สามเรื่องที่ไม่ผิดคุณคิดเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งเนคขมะสังกปะคิดในการที่จะออกจากความทุกข์และปัญหาคิดเยอะ สองอภิยาปาทาสังกปะคิดในการที่จะไม่เบียดเบียดตนเองไม่ทําให้ตัวเองลําบากสามอาวิหิงสาสังกปะคิดที่จะไม่ทําให้คนอื่นให้ลําบากไม่ให้ไม่ไม่มีใครให้ไม่มลำบากกายลําบากใจพ่อเราเต้องคิดแต่คนส่วนใหญ่ทําอะไรโดยไมคิดทําให้ตัวเองลำบากให้คนอื่นลาบากใช่ไหม แต่ทตัวเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนทำมันให้พวกนี้โบราณเขาว่าไงนะคุณนี่ทําอะไรไม่คิดใช่ไหมคุณนี่พูดอะไรไม่คิดเพราะอะไรมันเฮือทั้งตัวเองและผู้อื่นนะคุณคิดซะหน่อยสิคุณทําอะไรนะ่ะใช่ไหมเราก็บอกให้คิดอย่างนี้ก็กกมีนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่คิดนะแต่คิดได้สามเรื่องคิดหาอย่างไรให้สติปัญญามันดีขึ้นนะคือออกคิดที่จะออกจากทุกข์นั่นนะในคำว่าสังกปะ คิดที่จะปกป้องตอนเองและผู้อื่นให้อยู่มีความสุขล่มกันเนี่ยคิดได้หรือไม่เป็นเป็นตัวเองกับผู้อื่นตะนนั้นเองวิธีการของพระเถรเป็นปวิธีการที่เปิดหูปิดตาของเราได้ง่ายที่สุดแต่ดังได้กล่าวสิ่งที่ง่ายนั้นจะไม่ได้มาโดยง่ายถ้าสิ่งใดง่ายได้มาโดยง่ายขเขาเรียกว่าอะไร มักง่าโบราณเขาบอกว่ามักง่ายจะลำบากมักยากจะได้ดีอ่ามักง่ายจะลำบากมักยากจะได้ดีเพราะฉะนั้นมักยากไว้ก่อนเดี๋ยวมักง่ายนีมันก็ยจองทําให้มันสุ่มมันยากนะเพราะฉะนั้นของง่ายก็ต้องได้ยากหน่อยไม่งั้มันไม่มีค่านี นั้นเองในวันนี้เราถอดบทเรียนกันเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่คําว่าถอดบทเรียนหมายถึงว่าสิ่งที่เราให้บทเรียนกันตอนเช้าลองเอาไปถอดดูซิว่ามันออกมาเป็นความรู้อย่างที่ต้ออง่าเราต้องการร่วมกันเนี่ยได้ไหมถ้าถ้าตอนเย็นมาสรุปกันว่าเออโอเควันนี้ทําแล้วดีไม่ง่ว ง, ไ ม, งไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งไม่เพลียไม่ฟุ้งซ่านนั่นเราไปถอดบทเรียนเป็นละวันนี้เราก็ได้นะ แต่บางคนไปถอดโบเหรียญไม่ถูกยังง่วงยังเหงายังเบือ่อยังฟุง้งซ่านยังเซ็งยังขี้เกียจอยู่แสดงว่าถอดโบเหรียญไม่จบอันพุ่งวนี้ไปถอดใหม่มีใช่ไหมใครว่างถอดบเหรียญรู้สึกว่าสบายวันนี้ยกมือขึ้นเอ้ยยกช่วบทําได้จะยกมือไม่กล้ายกต้องมีนะแต่ไม่ไม่ต้องยกก็ได้ไปไนดะ้มาลุ้กันโดยนายยะนีะ่นนัานาเด้งก็เที่ยวนี้คิดว่าจะไม่ให้ถึงเจ็ดวันต้องได้อารมณ์ทุกคนนะ่ะ จะขอให้ทําตามที่ธีทําตามที่เราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกันนะคือหมายความว่าสิ่งที่มาพูดแล้วยมเข้าใจได้ก็ถือว่าเราเห็นร่มกันแต่สิ่งไหนที่มาพูดแล้วยมเข้าใจไม่ได้ให้ต้องถามต้องถามต้องทํงาให้ชัดเจนบางทีถ้าไม่ถามบางทีอาจจะนึงอาจจะพูดผิดสองอาจาอจะเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเราทำาเข้าใจกันอีกรอบถ้ามันตรงกันใช่เนะี่ยเอามาบอกเอ้ยอันนี้อันนี้ม า, าพูดผิดไปหรอ ก็แก้ไขได้เพอันที่ฉันฟังผิดไปขเขาจะผิดไปก็แก้ไขได้ก็ต้องมาเคลียร์กันก่อ น, อนแล้วไปทําต่ออีกนะเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้เอาแค่นี้นะผู้นี้เชา้าเราก็ตื่นมาเช้าๆแล้วก็มาอ่ไอ้คือสายร่วมกันช่วงเชา้ม ey, ม ey, ชาเมื่อเช้านี่เป็นไงทำรู้รู้สึกทําได้ไหมหนักไหมพอดีนะไม่หนักน ะ, ะเสียดายคนตายไม่ได้มาทําำ <laughs> อัน<ะ>นี้ถือว่าเป็นวิบากกรรม เพราะว่าใช้มันผิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นมาทำมันก็ทํายากหน่อยนะเพราะฉะนั้นให้ฝึกร่างกายเข้มแข็งแล้วสติสัมญาจะได้ดีถ้าร่างกายเราไม่ดีแลี่ยสติสัมญาเริ่มเลื่อนเรือแล้วจะไปแก่ไปก็ยิ่งยากเพราะกายอีซีทางกายอีซีทางจิตะะเนี่ยอีซีพลังเนี่ยต้องสมดุลกันถ้าเรารู้ธรรมะดีขนาดไหนก็ตามนะร่างกายไม่ดีมีโอกาสเลื่อนเรือและหลงได้ เพราะนั้นต้องฝึกล่างกายให้ดียากขนาดไหนก็ต้องฝึกเพราะอะไรเรามาทางที่นี้แล้วทางที่ดีที่สุดแล้วเนะี่ยเรายเอาทั้งหมดไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรต้องตรวจสอบตัวเองละเราทําอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าต้องตรวจสอบถ้าเรายังแก้ไขตัวเองได้อยู่เนี่ยไม่ดีว่าไม่สายเกินไปแต่ถือโอ้อย่างไหนก็รู้มันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วถือว่าประมาทอะไรบางสิ่งบางอย่าง ม, มันมีอะไรผิดพลาดต้องแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขก่อนที่มันจะแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราแก่ไปคนนี้ถ้าเราป่วยมากคนนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะตัว น, นี้มันพอแก่พอแก้ไขได้ป่วยพอแก้ไขต้องรีบแก้ไขรีบแก้ไขก็หมายความว่าจะต้องมาอ่าเทียบเปรียบเทียบความเห็นความคิดอะไรให้มันตรงกันอ่าถ้าไหนที่หลายคนเห็นด้วยกันมันมักจะถูกต้องอันไหนที่เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมักจะไม่ถูกต้องอนะอันนี้คือเป็นตัวเกณฑ์วัด ทะนั้นนะช่วงเย็นวันนี้ก็คิดว่าสมควรเวลาก็คนรมุทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายคือการาสิ้นสงสัยในเรื่องราวของชีวิตด้วยการทุกคนทุกท่านถือ